แค่นี้เกาสิบสิบเหายไปอันหนึงทำไม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 เพราะการผ่อนคลายหมายถึงการสิ้นความร้อนแต่เมื่อร้อนแล้วมันจะไปมันจะหดใช่หเหมือนเคยปิ้งปิ้งชิ้นปิ้งเนื้อไหมอพอปิ้งแล้วน้ำมันไหลไหลไออกเนื้อชิ้นใหญ่ๆน่ก็จะหดหดห ด, หดเข้าแต่พอเราเอาไปแช่น้ำเนื้อก้อนนั้นก็จะคลายคลายโตออกใช่ไหเหมือนกันเรามีไฟอยู่ในตัวเยอะ <c oughs> ไฟอยู่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 ปฏิบัติหลวงพ่อเทียนครั้งแรกเนี่ยมาได้วิปัสนูใหม่ๆเอามาว่าหลวงพ่อเทียนนี่แหละคือภาษีอ่านตัวจริงเราไปพูดอย่างนี้บ่อยคอครูบาอาจารย์ท่านทวงบอกมหาติดอารมณ์วิปัสนู <c oughs> ถูกเบรกหลายๆครั้ง <c oughs> ถูกเบรกบางถูกสอบสวนบางพอเรามาแรงไปแรงเนี่ย <c oughs> เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราก็จะต้องศึกษาอย่างระมัดระวังนะ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 ให้สว่างแล้วปัญญาตาของเรามองเห็นใช่ไหมอันนี้คือคือว่าในส่วนทางนอกก่อนแล้วรู้จักวิธีจัดอะไรคนจะ เ, เรียกว่ายานและยานทัศนะพอเราจัดระเบียบข้างนอกเป็นเราก็ไปจัดระเบียบภายในเป็นการเจริระเบียบภายนอกเพราะฉะนั้นในมรรคมีองค์แปดท่านจึงเอาตัวองค์แห่งปัญญาขึ้นก่อนองค์แห่งปัญญามีสมาอะไร สมาธิทีกับสมาสังคปปะเป็นดวงของปัญญาพอเกิดปัญญาปั๊บคือแสงสว่างดวงตาเห็นปั๊บท่านเอาศีลเข้ามาเลยสมาวาจาสมากรรมตะสมาอาชีวะคือจังจัดระเบียบเข้าที่รข้าทางด้ยวยศีลแล้วจากนั้นมาจัดระเบียบภายในคือสมาวายามะสมาสติสมาสัมปชะคือจัดระเบียบภายในจัดระเบียบภายนอกใช้ศีล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 อาการเปลี่ยนอิบตุตแต่ละครั้งคือการระบายอะไรระบายความร้อนนะการระบายความร้อนคนไหนร้อนบ่อยหน่อยก็เปลี่ยนบ่อยหน่อยคนไหนไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ก็นานๆเปลี่ยนทีหนึง่งนะนั่นคือระบบของร่างกายมันจัดการเข้ามันเองแต่ในการระบายความร้อนออกนั้นถ้าเราจัดระบบของความร้อนต่อไปมันจะกลายเป็นแสงสว่าง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 รู้สึกที่เป็นเวทนามันเข้มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆ อ, อ, อย่างไรเห็นขบวนการที่มันเข้มขึ้นตรงนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าสมาธิความตั้งใจเห็นไหมนี่คือ ส, ส, ส, ส, สมาธิที่เอื้อต่อวิปัสสนาสมาธที่เอื้อต่อวิปัสสนาคือสม า, าแบบนี้ไม่ไม่ใช่สม า, าที่นั่งเพ่งนั่งจ้องนั่งพิจารณาลับูลับตาแล้วเกิด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 ของความคิดก็เริ่มเข้ามาแล้วก็เข้าไปสู่อาการนั้นทันทีนะวิธีในกาแก้แกไขอย่างไรวิธีแก้ไข ก, ก็คือการเหมือนกับเราสมัยก่อนเราหนึ่งข้าวด้ยฟืนใช่ไหมทันไหมโยมทันมสมัยโยมทันหมสมัยมาเป็นเด็กทันนะตอนเย็นๆมาก็แม่บอกไอปหาฟืนมา เ, เราก็ไปหาฟืนใน ป, ป่า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 ข้าวก็สุกต่างเวลาที่ต้องการครึ่งชั่วโมงถึสิบ้านาทีสุกแล้วถ้าเราเรามีงานเยอะเอาติดไฟกลับมาออาหมอดอีกแล้วพมอข้าวก็ยังไม่เดือดเอาไปใส่ไฟใหม่เอาเพอไป้มีการเอาไปอามาข้าวหายนั้นอาจจะสุกหรือมันสุกก็ได้ไม่สุกอาจจะสุกไม่ดีก็ได้นะชันใดก็ดีการที่เรามีสติสมิญะโพรงอยู่เสมอนั้นมันจะทำให้จิตของเราเนี่ยถูกเขาเรียกว่าเผา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 ทิฐิสองสมาสังกปะสามสมาวาจาสี่สมากมรมตะการงานชอบห้าสมาชีวะเลี้ยงชีวิตถูกต้องหกสมาสติ7จเอ้ยหกสมาวายามะพยายามชอบเจ็ดสมาสติระลึกชอบแปดสมาสมาธิตั้งใจชอบ9ก้าสมาญาณรู้ชอบสิบสมาวิมุต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 แปลสภาพของความมืดบอดให้เป็นความสว่างสวยัยแค่นี้เพราะนั้นการที่เราตั้งใจทำเนี่ยแล้วก็ทำอย่างมีความเข้าใจมันก็จะไวแต่คนไหนที่ทำความด้วยความเข้าใจน้อยสมมติว่าเราตั้งความเข้าใจไว้ร้อเนี่ยคนไหนเข้าใจมีความเข้าใจถึง 80-90% ก็ก็จะไวขึ้น